หน้ากลุ่มโดยดังตรินตอนที่43าหลังการมีโอกาสได้พบกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายในปากีสถานกลุ่มหนึ่งทำให้นักจิตวิทยาเข้าใจจริงๆว่าทิ่แท้ผู้ก่อการร้ายไม่ใช่พวกที่มีความอมตดผิดมนุษย์เป็นทุนเดิม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 โดยดังตรินจากพิจยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่54เสียงอ่านโดยโจโฉ